บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของสังโยชน์ได้เกกิเลสที่ผูกใจสัตว์เอาไว้ไม่สามารถหลุดรอดจากความทุกข์ในระดับต่างๆจนถึงความทุกข์ในสังสารวัฏแห่ง อันนี้จริงแล้วเป็นการจําแนกแยกย่อยออกไปจากความโลภหรดตรงมเพียงแต่วลักษณะทางอาการค่อนข้างจะละเอียดคือไม่ถึงก็ออกมาทางกายกระามวา จ, จารเป็นอาการที่ปรากฏภายในจิตสงบอยู่ภายในจิตในขณะเดียวกันเมื่อมีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอก ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสคือโดยการเห็นการได้ยินการสูดดมการลิ้มการจับต้องอาการของสังโยชน์ต่า น, นี้ก็ฟุ้งขึ้นมารับอารมณ์ร้อนนั้นแต่ผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะเกิดอยู่ทุกๆกอารมณ์วันที่จริงแล้วในขณะที่เรามีกิเลสซึ่งสงบอยู่ในภายในนั้น เราก็มีธรรมะที่เรียกว่าบารมีคือเก็บสะสมไว้เช่นเดียวกันด้า น, นเวลากระทบอารมณ์ข้างนอ ก, บ า, ก, กนนนาบางครั้งก็เกิดเป็นกุศลในเจตนาบางครั้งก็เกิดเป็นเป็นอกุศลขึ้นมาได้แต่การจะเกิดอะไรในกรณีที่กระทบอารมณ์นั้นก็อยู่ที่พื้นฐานในจิตใจของเรา เพราะภายในใจเรามีกิเลสมากหรือว่ามีบารมีมากแตาว่ามีบารมีอยู่มากคือมีความดีอยู่มากก็สามารถมองอะไรก็ตามให้เกิดเป็นธรรมะเกิดสาระประโยชน์ขึ้นมาได้เพราะสำหรับคนที่มีความรู้แจ้งในธรรมะจะมีพื้นฐานทางบารมีแล้ว สามารถจะหาประโยชน์จากทุกเรื่องที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องที่ได้เห็นได้จีที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังได้สุดลมได้ลิ้มได้จับต้องในขณะนั้นๆคุณลักษณะเหล่านี้มีอยู่ภายในจิตใจของท่านที่มีบา ร, รมีทั้งหลายก็นี้พึงดูตัวอย่างพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะได้สัตรูเป็นพระพุทธเจ้า ในช่วงนั้นพระองค์ก็เป็นปูตุชนคือสามัญชนคนหนึ่งเพียงแต่ว่าภายในพระทัยของพระองค์มีบารมีอยู่มากกิเลสแม้จะมีก็ไม่มีกำลังควบคุมจิตใจมากเกินไปแต่ตั้งนี้ทอนนั้นไม่ได้หมายความว่าหมดกิเลสไปแล้วเพียงแต่กำลังของกิเลสน้อยทอนนั้นเด็กั้นตลอดระยะเวลา ที่ดำรงประชนอยู่ในคารวาส2 9 3 0 0และแม้แต่ตอนเสด็จออกพนวดอีก6ปีนั้นเราสังเกตได้ว่าทุกอย่างที่ทรงเข้าไปเกี่ยวข้องจะทรงหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นกุศลเป็นอกุศลหรือเป็นกลางๆ ก, ก็ตาม ตัวอย่างในตอนต้นเช่นสภาพที่เป็นกลางๆงคือความเงียบสงัดจากเสียงรบกวนต่างๆพระองค์ก็ใช้เป็นจังหวะเป็นโอกาสที่จะเพิ่มความสงบโดยอาศัยความสงบโนั้นเป็นฐานเช่นคราวเสด็จตามพระราทิบิดาไปในงานวปะมงคลแรกนาขวัดในขณะที่คนทั้งหลายกำลังสนใจอยู่กับพิธีแรกนา พระองค์ประทับห่างไกลออกไปความสงบก็เกิดขึ้นถึงโอกาสที่จะรับความสงบท่ามกลางบุคคลที่ห้อมล้อมอยู่เป็นนันมากนั้นที่จริงทมได้ยากเพราะเมื่อพระองค์ได้ความสงบมากกว่าปกติในชีวิตประจำวันก็ทรงใช้ช่วงใช้จังหวะโอกาสเหล่านั้น ตามพระไตรของพระองค์ให้สงบด้วยวิธีเจริญอาณาปานสติกรมฐานซึ่งอาณาปานสติกรมฐานวิธีการตั้งสติระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกโดยไม่ไปใส่ใจว่าลมจะเป็นอย่างไงแต่เราก็รู้ตามจังหวะลมที่ปรากฏหายใจเข้ายาวสั้นก็ตามก็รู้ตามที่ปรากฏในขณะนั้นๆ มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการสั่งสอนกันก่อนที่พระเจ้าจะเสด็จอุบัติมาเ็นวิธีการที่ฤาษีชีไพรท่านก็ศึกษาประพฤติปฏิบัติกันจบพระองค์ใช้คุณลักษณะเหล่านั้นจเจริญอาณาปานติธรรมพระไทยให้สงบแต่เนื่องจากภายในพระไทยมีบารมีอยู่มากมีความดีอยู่มาก เมื่อได้วิธีการสภาพแวดล้อมช่วยเกิดความสงบความสงบก็เกิดเกิดขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นในเวลารวดเร็วจนได้บรรลุประตมชาติอย่างที่ทราบกันนี้แสดงเห็นว่าเวลาสถานที่อะไรต่างๆก็เป็นอัพยากะตะธรรมคือธรรมที่เป็นกลางๆ การใช้เวลาการใช้สถานที่เหล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นจิตใจของบุคคลนั้นๆว่าจะใช้ไปในทางใดใช้ไปให้ผ่านการเวลาไปเฉยๆโดยไม่ได้สาระประโยชน์อะไรก็ได้ใช้กระทาชั่วก็ได้ใช้กระทาดีก็ได้เพราะในป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของนักบวชผู้มุ่งสวา่างแสวะหาความสงบนั้น ยังเป็นที่อยู่ของโจรยังเป็นที่อยู่ของผู้ก่อการร้ายยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายอยู่ด้วยซึ่งแสดงว่าป่าก็คือป่าแต่ว่าจิตใจของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับป่านั้นมีความแตกต่างกันพวกโจรผู้ก่อการร้ายผู้ขู่ขโมยหรือผู้ซ่องสุมทำความชั่วแอบบเสพสิ่งเสพติด หรือว่าทำสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่ในป่านั้นภายในใจิตใจเขามีกิเลสอยู่มากแทนที่ก็จะใช้ป่าซึ่งมีความสงบเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความสงบเพิ่มขึ้นแต่กลับใช้เป็นที่ปกปิดร่างกายกลัวคนอื่นจะเห็นการกระทําชั่วของตนแต่คนที่ใช้ป่า เพื่อทำใจของตนให้สงบหาความวิเวกเหล่านั้นเป็นปัจจัยสนับสนุนโดยใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรทางจิตก็แสดงว่าพื้นฐานทางจิตของท่านมีธรรมะอยู่สูงแล้วใช้สภาพแวดล้อมสีงเกอกูรนั่นเองทำจิตใจสงบเพิ่มขึ้นประโยชน์ที่ได้จะป่าจึงแตกต่างกัน พื้นฐานสำคัญจึงไม่อยู่ที่ตัวป่าแต่อยู่ที่พื้นฐานภายในจิตของคนที่ใช้ป่าสวงหาประโยชน์จากป่าป่าจะมีลักษณะอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นที่หลบซ่อนของคนทําชั่วหรือเป็นที่หลบซ่อนของคนตั้งใจจะทำชั่วในขณะเดียวกันก็เป็นที่หาความสงัดวิเวกของคนที่ตั้งใจจะทำความดี ทั้งสองลักษณะนี้เป็นตัวสะท้อนถึงสิ่งที่กล่าวไว้ในตอนตน้นคือสังโยชน์กับปรมีหรือว่ากิเลสกับธรรมะที่มีความแตกตาก่างมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้นๆคุณลักษณะเหล่านี้ของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะจรัตรู้นั้นมีปรากฏอยู่เป็นนั้นมาก เช่นว่าการเสด็จไปในที่ต่างๆถึงบ้านเมืองสมัยโบราณก็มีป่าหอบล้อมอยู่มากการเสด็จไปเที่ยวในที่บางแห่งมันก็เป็นเรื่องของป่าจะมีสัตว์ไร้ด น, นานชนิดซึ่งเป็นที่หวาดกลัวของบุคคลทั้งหลายแต่พระโพธิสัตว์ท่านมองสัตว์เหล่านั้นไม่ใช่เป็นศัตรูแต่มองเป็นเพื่อน มองเป็นมิตรมองเป็นสหายกับท่านเพราะว่าแต่ละชีวิตก็เกิดมาในโลกรูปทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกั น, กนทั้งหมดทั้งสิ้นเหตุการณ์อศัศจรรย์ที่พระอนุนท่านเล่าไว้พระเจ้าชาติตตะ์เสด็จไปในที่ใดมีสัตว์ป่าเดินตามเป็นปรนแล้วก็ห้อมล้อมมาในที่ต่างๆไม่มีท่าทางของความดุร้าย มองพระองค์เป็นศัตรูแต่ว่าสัตว์แต่ละชนิดนั้นมองด้วยความเป็นมิดกอนีแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงธรรมะที่มีอยู่ภายในใจไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะภายในใจแต่กลายเป็นธรรมรังสีเป็นรัศมีแห่งธรรมเป็นธรรมานุภาพเป็นอนุภาพแห่งธรรมที่แผ่กระจายออกไปไปสัมผัสกับจิตใจของสัตว์เหล่านั้น แต่เรานั้นแม้จะมีความกระด้างอยู่ภายในใจก็เกิดความอดโยนเพราะถูกสลายด้วยกระแสแห่งเมตตาธรรมที่มีอยู่ภายในพระไัยของพระพูทธิจัาและจากจุดนี้เองเราจึงพบ ว, ว่าคําสอนในรูปของการแผ่พลังของธรรมะออกไปจากจิตโดยเริ่มที่จิตเราก่อนคือตั้งธรรมะขึ้นภายในจิตก่อน จะพยายามเพิ่มปูนพลังความธรรมะนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดย ล, ลําดับความเยอเือกเย็นความสงบนั้นเกิดขึ้นแก่ใจของผู้มีธรรมะก่อนอื่นแล้วค่อยแพร่ออกไปค่อยแผ่ออกไปโดย ล, ลําดับแต่วาการแผ่ออกไปนั้นก็ไม่ได้แผ่ได้รวดเร็วแนวของการเจริญพรมิหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่ตอกย้ํามากที่สุดคือการแผ่เมตตา แล้วก็แผ่เจาะจงไปก่อนเจาะจงกลุ่มบุคคลเจาะจงบุคคลเจาะจงทิศทางที่อยู่ของคนเหล่านั้นจนพระลานุภาพแห่งเมตตามีกําลังมากก็แผ่ไปรูปของสเพรดสตาร์ในทีต่ตั้งปวงว่าทิศรอบด้านทิศเพื้องบนทิศเพื้องต่ำทิศเพื้องขวาก็แสดงว่า เมื่อทำได้เช่นนั้นอนุภาพของเมตตาให้ความเยือกเย็นแกจิตใจของบุคคลบุร น, นั้นเองเพิ่มขึ้นโดยดับถดัมีกาลังม า, มากมายเหลือเฟือที่จะช่วยให้คนอื่นมีจิตใจอ่อนโยนมีความสุขความสงบเพิ่มขึ้นแต่ลักษณะเหล่านี้เราสามารถสังเกตไดในชีวิตประจาวันของเราพยายามใดที่เรามองคนอื่นด้วยความเป็นมิตร องก็ดื่ด้วยความรักความเมตตาความวังดีมีจิตคิดรุเเคราะห์ต่อเขาอนุภาพของเมตตาก็เริ่มเกิดขึ้นภายในจิตเราคือจิเราเย็นก่อนแล้วก็แผ่ความเยือกเย็นเหล่านั้นออกไปสู่บุคคลนั้นๆแม้คนบางคนจะมาด้วยความรู้สึกเป็นศัตรูตัวในขณะนั้นเขาโกรธเขาไม่พอใจแสดงอาการกิริยาที่ค่อนข้างจะรุนแรง แต่เราก็ใช้พลังของเมตตาที่แผ่ไปจะทำให้จิตใจเขาค่อยๆอ่อนโยนลงจนสามารถพูดกันได้ด้วยความรู้สึกเป็นมิตรมีความเป็นกันเองกันมีความเป็นมิตรกันอะไรที่จะเป็นการหักล้างเป็นการทำลายก็สงบลงอนุภาพของธรรมะในลักษณะนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะสามารถสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันของเรา ประเด็นสำคัญก็อยู่ที่ว่าจะต้องมีการเพิ่มผูนขึ้นภายในจิตให้ได้ให้มีกะลังมากจนแผ่ออกไปได้และโดยหลักเหล่านี้จึงเราเราจึงพบพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในรูปของธรรมะปฏิบัติในชีวิตประจำวันหมายความว่าพยายามที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นนั้นให้มีจุดยืนอยู่ที่ คุณธรรมภายในใจเราแล้วก็มีความพร้อมที่จะแสดงออกอยู่ในรูปของสลายสิ่งที่ทรงกันข้ามเจตตรงสอนให้เอาชนะความโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธความโกรธนั้นมีความ ร, าร้าเรอนเผาหล่นความไม่โกรธนั้นมีความสงบเยือกเย็นแล้วก็ดูคล้ายๆกับไฟกับน้ำ ว่าใครจะทำลายใครนั้นก็อยู่ที่ปริมาณถ้าไฟก็มีกำลังมากน้ำมีกำลังน้อยก็ดับไฟไม่ได้แต่ถ้าไฟมีกำลังน้อยน้ำมีกำลังมากมันก็ดับไฟได้เรื่องกิเลสภายในจิตใจของคนเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมตตากรุณานั้นเหมือนกับน้ำที่มีความเจือจิน ถ้าเพิ่มพูนขึ้นแม้เขาจะมีอาการเครียดกราดมีความโกรธมีความูโกรธสแสดงอาการปาัจบาทแต่ด้วยอนุภาพของเมตตาที่แผ่ไปแล้วก็มีความต่อเนื่องคล้ายๆกับการเอาน้ำดับไฟที่ต่อเนื่องจะลดความร้นรอนของไฟการลุกไหม้ของไฟลงไปโดยดังดับ ถ้ามีกำลังมากจริงก็ดับไปได้แต่ดอนตรงนั้นต้องมีรอยไหมแต่ก็เป็นรอยไหม้ที่อยู่ภายในใจเขาใจเราไม่ถูกไหมด้วยเพลิงโทสะด้วยเพลิด้วยเพลิงอาฆาตพยาบาทแต่ขณะเดียวกันเราก็ช่วยลดรอยไหมที่มีอยู่ภายในใจเขาให้น้อยลง การปฏิบัติเช่นนี้จึงเป็นการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่เราเองและแก่บุคคลอื่นให้ชนะความชั่วของเขาด้วยความดีของเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่เช่นว่าธรรมะกับอาธรรมนั้นมีลักษณะตรงกันข้ามเป็นวิถีแบบธรรมชาติคล้ายๆน้ํากับไฟคล้ายๆความมืดกับแสงสว่าง หมาความว่าเมื่อฝ่ายหนึ่งมีกําลังมากจะต้องขจัดอีกฝ่ายหนึ่งไปได้ปดัญหากิเลสทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันยกตัวอย่างโคตรรากง่าวของกิเลสที่โลภโกรธลงเราอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่โลภจัดถ้าเราโลภจัดด้วยในสุดสิ่งที่จะตอบสนองความโลภมันมีไม่พอบางคนบางก็อยากได้ ในที่สุดก็เข็นฆ่าทำลายล้างกันพอทำลายล้างกันนั้นก็อาจจะถึงแก่ชีวิตคนหนึ่งอาจจะล้มตายไปคนหนึ่งอาจจะบาดเจ็บหรืออาจจะล้มตายไปเลยทั้งสองคนก็ได้นั้นแสดงว่าวิธีการเหล่านี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาแต่จะเพิ่มปัญหาทวี ป, ปัญหาให้ลุกลามรุนแรงมากยิ่งขึ้น บางเรื่องที่เราพูดกันว่าน้ำพึ่งหยดเดียวมันเกิดขึ้นจากความเร่าร้อนรุนแรงที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเล่านัันที่เราพูดน้ำพึ่งหยดเดียวเราก็สื่อกลางเมืองกรสาธาชนตั้งหลายเจนได้ว่านในใจของคนเหล่านั้นมีกิเลสประเภทเดียวกันแล้วก็มีความรุนแรงปรพอกกัน ไม่มีสติสมัมปชัญญะที่จะหยุดยัง้งหยุดยั้งพฤติกรรมของตัวเองเอาไว้ในที่สุดก็กลายเป็นสึกรางเมืองซึ่งสืบเนื่องมาจากน้ำพึ่งหยดเดียวเริ่มต้นก็ด้วยคนที่ประมาทเผล อ, อซึ่งเป็นอาการของโมคะหรือทาน้ำพึ่งให้หยดตรงมาแรงวันมาตอมน้ำพึ่งซึ่งเป็นธรรมชาติของเขา จิ้งจกมาไล่กินแมลงวันก็เป็นเรื่องของสัตว์ได้แต่ลืมาอาการเหล่านี้ก็เป็นอาการของโลภะอาการของโมหะแมวมาไล่แต่คุบจิ้งจกก็เป็นเรื่องของแมวกับจิ้งจกเป็นเรื่องของสัตว์ติลิชาดหมามามาไล่กัดแมวก็เป็นเรื่องของหมากับแมวแต่ลืมว่าอาการเหล่านี้ทั้งหมดภายในใจนั้นก็คือโลภะกับโมหะที่มีอยู่ภายในใจสัตว์เหล่นั้นพระสาติลิชาหน้าอาการของโมหะจะมาก เราจึงไม่ถือสาหาความกับสัตว์เดรัจฉานก็มองในแง่ของความเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ลักษณะการมองในแนวนี้มันก็มองถึงเด็กเด็กก็มีโมหะอยู่มากก็ไม่ถือสาหาความกับเด็กหรือคนบ้าก็มีโมหะอยู่มากก็ไม่ถือสาหาความกับคนบ้าคนเมาก็มีโมหะอยู่มากก็ไม่ถือสาหความกับคนเมาเป็นต้นไอ้จุดที่มีปัญหาก็คือว่า เจ้าของแมวไม่พอใจหมามาไล่จีมานั้นแสดงให้เห็นถึงอาการของโทสะอาการของโมหะเป็นโทสะที่เกิดในสิ่งที่ไม่ควรเกิดธรรมชาติของแมวกองหมาก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ใช่เฉพาะแมวหมาของเราก็แมวหมาที่ไหนมันก็เป็นอย่างนั้นเองแต่เพราะโมหะมันมากก็โทสะมันก็เกิดใครเจ้าของหมาก็มีลักษณะอย่างนั้น ก็เห็นคนไปรังแกสัตว์มันก็น่าจะหยุดตัวเองแตกิเลสประเภทเดียวกันมันก็เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นโทสะก็กลายเป็นโมหะเวทาตีท่าต่อกับเจ้าของแมวเจ้าของแมวเองก็มีโทสะโมหะเจ้าของหมาก็มีโทสะโมหะต่างคนเราก็เพิ่มความเข้มข้นของกิเลสสองกองนี้ในสุดก็ชกต่อยจุกตีกัน เพื่ผู้งญาติพี่น้องวงศากณายาติของบุคคลทั้งสองฝ่ายมีกิเลสประเภทเดียวกันมีทั้งโทสะมีทั้งโมฆะแล้วก็ไม่มีใครลดลาวาสอกกันในที่สุดก็กลายเป็นจลา จ, จนไป็นสุกลางมือทีนี้ถ้าอีกด้านเนึ่งคือคนกลุ่มทั้งสองกลุ่มนี้แหละสมมุติว่าอีกด้านหนึ่งเกิดมีธรรมะเป็นหลักคำยันจิตใจก็จะหยุดเอาไว้ในช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่นสมมติว่าขยเจ้าของแมวก็มีความรู้สึกว่าแมวกระหมาก็เป็นอย่างนั้นเองก็ปล่อยไปเรื่องของสัตว์ไปทุกอย่างก็จุดตรงนั้นไม่มีตัวกระตุ้นโทสะของเจ้าของหมาอาการกริยากับเจ้าของหมาก็ไม่มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงเรื่องมันก็หยุดตรงแค่นั้นเองเมานั้นก็เป็นธรรมดาของสัตว์ แต่แนววิธีการขัดเกลาธรรมนั้นท่านสอนให้ใช้แนวที่ตรงกันข้ามเมือ่อวายหนึ่งก็ทำชั่วมาเมือ่อวายหนึ่งก็ด่ามาถ้าเราด่าด้วยด่าด้วยประโยคเดียวกันในที่สุดก็ด่าด้วยประโยคนั้นกลับไปกลับมาแล้วก็เปลี่ยนประโยคด่าที่เพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากโทสะมันมากขึ้น โลภะคืออยากเอาชนะมากขึน้นซึ่งก็หมายความโมหะความรุ่มหลงที่มีอยู่ภายในใจก็เพิ่มขึน้นในสุดก็จะไม่หยุดหยุดตรงนั้นเดี๋ยวจะออกมาทางวัฏจัออกมาทางกายจะใช้ลงไม้ลงมือกันหรือว่ามีเครื่องตุนแรงเข้ามาต่อสู้ปราดปรานกันแต่บางีค่ายหนึ่งเอาชนะเ้าก็ด่ามาเราก็ไม่ดา่าหรือปล่อยเขาด่าเขาคนเดียว นอกจากไม่ได่าแล้วจะมองเขาด้วยความสงสารหรือบางทีก็สงสารไม่ได้เราก็อดทนเราเอาไว้คือคุ้มครองอเฉพาะเราแต่อดทนเอาไว้ห้ามใจเอาไว้ก็ดา่าก็ด่าไปแต่ถ้ามองจริงๆก็จะมองด้วยความสงสารท้ไามาจึงสงสารสงสารที่เขาตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส ควบคุมความรู้สึกนึกคิดในขณะนั้นไม่ได้แล้วก็ออกมาแรงเป็นมโนทุจริตแล้วก็เป็นว จ, วจีทุจริตแต่ถ้าคืนวาเพิ่มเชื้อขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นกายทุจริตคือทุจริตครบทั้งสามภกดีแต่ในขณะนั้นเรายังไม่มีทุจริตเรายังไม่ได้คิดโกรธแสดงว่าเรายังไม่มีมโนทุจริต เราไม่ยังไม่คิดดา่ากายกายของเราก็เป็นวาจาของเราก็เป็นสุจริตเราไม่คิดจะทำอะไรกายของเราก็เป็นสุจริตตกลงอะในขนาดนั้นเราก็เป็นคนดีเขาก็เป็นคนไม่ดีถ้าเราทำตามเขาคือเขาด่ามาเราก็ด่าไปเขาทุบตีมาเราก็ทุบตีไปสุดก็จบกันคือเลวพอๆกันนี่ก็ เห็นได้ชัดว่าเป็นการต่อสู้กันของธรรมะกับกิเลสภายในใจตอนนี้ในช่วงนั้นเราก็มีธรรมะได้มากกว่าเราคุ้มครองรักษาตัวเองไม่ได้เขามีกิเลสมากกว่าเขาก็คุ้มครองตัวเองรักษาไม่ได้ตือไม่ได้ความเห็นแก่ตัวอะไรของใครก็ตามที่เขาแสดงออกมานั้นมันก็เป็นอาการของกิเลสเวลาเราแสดงมันก็เป็นอาการของกิเลส ก็สแสดงเห็นว่าในขณะนั้นภายในใจเรามีกิเลสมากมันฟูขึ้นมาครอบงำใจทาให้มีความคิดจิตใจในขณะนั้นถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสแต่พอกลุ่มรุ ม, นมเนี่ถ้าไม่เรียกว่าสังโยชน์ถ้าไม่เรียกว่านิวรณคือสิ่งที่กั้นจิตเอาไว้แต่ถ้าหากว่ามีความเราร้อนรุนแรงมากยิ่งขึ้น เป็นความรู้สึกประเภทโลภประเภทกามฉันที่เป็นนิวร์แต่มันแรงความคิดเพ่งเล็งโลภอยากได้ของบุคคลอื่นนึกถึงอยากได้ของบุคคลอื่นมองด้วยความอยากได้ในบุคคลอื่นของของบุคคลอื่นหรือมองด้วยความอาคตาิมากไป er. ก็แสดงว่าที่จริงก็คืออาการของพยาบาทในนิวร์อาการของการมันฉันทะในนิวร์ แต่เพิ่มความรุนแรงขึ้นนั่นก็เรียกว่ามา โ, นโนทุจริตซึ่งทั้งหมดเราจะเห็นเป็นความเข้มข้นที่แตกต่างกันท่านนั้นเองพอถึงสังโยชน์ท่านเรียกว่ากามราคะความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่พอมาถึงนิวรณ์ท่านเรียกว่ากามาฉันท์นความพอใจความยึดติดในสิ่งที่ตัวเองใคร่ตัวเองปรารถนาตัวเองพอใจ พอมาถึงระดับโนทุจริตมันมีความเข้มข้นสูงขึ้นและพร้อมที่จะล้นออกมาทางกายทางวาจาเป น, เนาศาศาี่ได้กระทำผิดทังก็เรียกว่าอภิชาวิสมาโลภะเปรเพ่งเล็งโลภอยากได้เราสามารถสังเกตได้จากความรู้สึกนม่คิดของเราคือบางครั้งเราสนใจอะไรนิดหน่อยแล้วก็พอใจถือว่าในช่วงนั้นเป็นกามฉันทงัง แต่พอมีความพอใจมากๆ ม, ม, มองแล้วมองอีกเพ่งมองอตาไม่กระพริบแสดงถึงความกระสันอยากในสิ่งนั้นๆแสดงว่าในขณะนั้นมันก็เป็นอภิชาวิสมโลกะอาการกิเลสเหล่านี้ก็กลายเป็นอยากเป็นกลางเป็นละเอียดในตัวเขาเองมีการเก็บการสะสมไว้ภายในใจและถาก็รับเชื้อเพิ่มขึ้น นอกจากปริมาณเขาจะเพิ่มขึ้นจะเป็นการลดปริมาณของความดีที่เก็บสะสมไว้ภายในใจเราการตรวจสอบสังเกตจิตของเราในแต่ละวันนั้นสามารถจะดูได้ว่าบางวันเนี่ยจิตใจมีความสงบเยือกเจนมีความทนทานมีความอดกลั้นมีสติสัมมาจัญญะดีแม้จะมีอารมณ์อะไรมากระทบมันก็ไม่ค่อยโกรธ มีอะไรมายุโยนก็ไม่เคยคิดอยากได้เลยรเท่าไรแต่บางวันปริมาณของกิเลสแกมีการสะสมพอกระทบอะไรนิดอะไรหน่อยมันเกิดจากได้เกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดงุนง่านสามารถดูได้ในแต่ละขณะจิตในแต่ละวินาทีแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละวันแต่เดือนนี่คืออาการที่เป็นพื้นฐานอยู่อย่างนั้นเพราะในระดับ ธรรมะปฏิบัติหมายความว่าเราก็ไม่ถึงก็ไปตัดกิเลสได้เพียงแต่ปริมาณของธรรมะเขาเกิดขึ้นคุ้งพรองใจมากพอสามารถเอาชนะคนโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธคือไม่ทําอย่างเดียวกับเขาจิตเขาถูกปรุงด้วยกิเลสเราปรุงด้วยธรรมะชนะคนชั่ว ด, ด้วยความดีหรือคนทาชั่ว ด, ด้วยการทาดีเราไม่ทําอย่างเดียวกับเขา โดยคล้ายคายน้ำกับไฟอย่างที่ว่าคนละสภาวะกันมืดกับสว่างก็คนละสภาวะกันแต่ถ้ามืดด้วยกันมันก็อยู่ไม่ต้องเห็นอะไรกันแต่ว่าจุดหนึ่งมืดจุดหนึ่งสว่างไอ้ที่มืดเรามองไม่เห็นจริงแต่ว่าที่สว่างเราก็มองเห็นโดยจนะน่าคนสนิทโ ด, ดยการให้ไม่ต้องดูอื่นไกลหรอกแม้สามีปัญญาที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ไม่มีน้าใจต่อกัน ทำงานได้เงินเดือนมาแล้วก็ไม่มีใครให้ใครไม่มีใครสงเคราะห์ใครอย่างนี้ก็จบสิ้นกันก็อยู่กันไม่ได้บางทีคนอื่นเขาไม่มีน้ําใจเอื้อเฟื้อมีความกลับมีความสนีนเหนียวแน่นหวงไม่ยอมสงเคราะห์นุคราะใครวิธีจะสลายเขาก็คือมองเขาด้วยความเมตตาสงสารที่เขาถูกกิเลสทุ่มพอจนเหนียวเนอไม่สามารถที่จะสลัดออกไปได้ เราก็ช่วยสลายโดยการส่งเคราะห์นุเคราะห์เขาโดยช่วยเหลือทางกายบ้างปูดทางวาจาบ้างสงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของบ้างสร้างความรู้สึกเป็นมิตรสนิทสนองกับเขาไอ้ ก, กิเลสของเขาก็ค่อยๆถูกละลายไปอย่างน้อยสําหรับคนอื่นเขาอาจจะยังสนิททีเดียวอยู่แต่สําหรับเรานั้นจิตใจก็อาจจะ อ, อดด่อนโยน ยังไม่พร้อมที่จะให้ของมีราคาแพงแต่ของเล็ก น, น้อยก็ให้ได้สแสดงว่าธรรมะมันก็เอาชนะในจุดนี้ได้หรือคนบางคนที่พูดจาเลาะแหละไม่อยู่กระรองกระลอยไม่ค่อยมีความรับผิดชอบถ้าเราไปเลอะแหละร่วมกับเขาเราก็เป็นอย่างที่เขาเป็นในสุดพูดกันสีห้าชั่วโมงไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพราะตังคนแล้วก็เลอะแหละ แต่ถ้าเราพยายามพูดคำสักคำจริงพูดเป็นหลักเป็นฐานมีที่ไปที่มามีเหตุมีผลแต่น้อยคนคนนี้ก็อาจจะหล่ะแหละกับคนอื่นแต่สมัครกับเราก็ไม่กล้าหล่อแหละแต่้นต้นๆ้นเขอาจจะคงหลาอแหละอยู่แต่นานงข้าวนั้นข้าวเนี่ยมันช่วยให้เขาลดความหล่อแหละลงไปเพราะธรรมะปฏิบัติในแนวนี้ทั้งหมดเพิ่งสังเกตว่า เป็นวิธีการที่ใช้สติสัมปชัญญะความเพียรในระดับหนึ่งคือไม่ถึงกระดับของกรรมฐ า, านแต่ก็ทำหน้าที่ลดความรุนแรงของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจของตัวเองแล้วก็เพิ่มปริมาณธรรมะขึ้นในจุดนั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป